ถ้าหารกระป๋องที่แน่วแน่นี่คือเรื่องราวที่ไม่เก่าขนาดนั้นโมนูเด็กน้อยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่กับเขาในบ้านหลังใหญ่เขาชอบของเล่นและมีของเล่นมากมายทุกครั้งที่ของเล่นใหม่วางตลาดพ่อแม่ของเขาจะซื้อให้เขา งของเขาเต็มไปด้วยตุ๊กตาหมีบาร์บี้และรถแข่งครั้งหนึ่งแม่ของเขาซื้อกล่องกระป๋องให้เขานั่นอะไรล่ะครับแม่นี่สำหรับลูกรักของแม่จะ้ะทหารกระป๋องตอนนี้ลูกจะได้มีกองทัพของตัวเองพวกมันจะปกป้องลูกว้าวทหารกระป๋องทั้งหมดเลยข้างในมีทหารตัวเล็กๆร้อยตัวที่ทำมาจากดีบุก ทหารกระป๋องร้อยตัวพวกนี้มีอยู่ตัวหนึ่งที่ต่างไปโอ้ทหารที่น่าสงสารนี่มันไม่แค่ขาข้างเดียวแม่โอ้พ่อค้าคงเผลอเอามันใส่เข้าไปมันเป็นทหารพิการแม่จะมันกลับไปไม่แม่แม่เคยสอนผมว่าการต่างนะไม่ได้แปลว่าผิดหรือถูกเขาก็แค่ตา่างผมจะทําให้เขาเป็นกัปตันเขาจะชื่อกัปตันคระป๋อง ที่เหลือหน้าเหมือนกันหมดเลยผมตั้งชื่อพวกมันไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมกาลังเล่นกับทหารตัวไหนแน่นอนแต่ผมจะรู้ว่ากับตันกระป๋องคือใครเขาคือทหารคนพิเศษเออก็ลูกแม่สอนลูกมาอย่างดีนะใช่เลยเขาไม่ได้พิการอะไรหรอกเขาแค่ต่างไปจากเราเขาเป็นคนพิเศษโมนูรักกับตันกระป๋องมากเขาเก็บไว้บนที่วางฟังนะกับตันกระป๋อง นายต้องเฝ้าของเล่นของฉันทั้งหมดตอนที่ฉันไม่อยู่นะโอเคไหมเราเป็นทีมเดียวกันนะเราจะไม่ทิ้งกันไปโมโนอาหารคํามพร้อมแล้วจ้าโอเคกับตันไว้เจอกันนะเกับตันรักเจ้าของของเขาทันทีที่โมโนปิดประตูของเล่นทั้งหมดจะมีชีวิตขึ้นมากับตันเฝ้าดูทุกคนทั้งแพนด้าที่ยืดหลัง ยิราฟที่ล้มลองอย่างเงอะงะก็ยืนขึ้นมายืดคอบาร์บี้หันหน้าที่ผิดฝั่งอออได้เวลาแล้วเล่นกันเถอะโมนูลเป็นบ้าอะไรของเธอ <c oughs> เขาเพิ่งเล่นกับเราเมื่อกี้นี้เองนะออก็นะฉันเป็นค้างคาวฉันนอนกลางวันฉันผิดเหรอ แต่กัปตันเลิกฟังพวกเขาตาของเขานั้นมองไปที่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นไงละ่ะสาวนักบันเล่กระดาษสวยๆขับปราสาทใหญ่ชุดของเธอนั้นจะมีเลื่อมปักประกายสวยและที่ตรงกลางชุดของเธอก็อจะมีหัวใจสีแดงเด่นเธอเต้นด้วยเท้าเดียว และขาอีกข้างก็ยกสู ง, ข, งข้างปราสาทของเธอก็จะมีบ่อน้ำสวยๆน้ำสะท้อนไปที่หน้าเธอเหมือนกับน้ำค้างตอนเช้าบนใบหญ้ากับตันละสายตาจากเธอไม่ได้ว้าวฉันไม่เคยเห็นใครสวยเท่าเธอมาก่อนเลยละ่ะเทรซี่เหรอสวยซี่เธอเต้นเท้าเดียวเธอเป็นนักเลต์ที่มุ่งมั่นเลยละ่ะอออเอิ อโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เคารพใครฉันเลผลอพูดดังออกไปนะ้าโอ้เธอเป็นอาหารที่ดีนอบน้อมและมีความเคารพเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอบคุณมากเขาคุยกับโลมาแค่นั้นเขาจะไม่มีทางลืมว่าเขาพูดอะไรออกไปเทรซี่นักบันเล่ไม่นานกับตันก็รู้ตัวว่าเขารักเทรซี่ คืนผ่านไปของเล่นทุกชิ้นเล่นหัวเราะกันแต่กับตันไม่มองละสายตาจากเทรซี่แม้แต่วินาทีเดียวอเราควรจะไปคุยกับเธอแต่เราจะพูดอะไรล่ะเธอจะยอมรับเราไหมก็นะเราต้องพยายามหน่อยยังดีกว่านั่งตรงนี้คิดไปคิดมานี่คุณโลมาช่วยผมลงไปจากที่นี่ได้ไหมผมจะต้องไปคุยกับคุณเทรซี่ ผมต้องบอกเธอว่าผมรู้สึกยังไงแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่ว่าอะไรขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมได้ครับทเทซี่เป็นนักบัลเล่ที่สวยที่สุดในแถบนี้แต่คุณนะ่ะเป็นแค่ทหารกระป๋องขาเดียวคิดว่าเธอจะยอมรับเหรอขอโทษนะแต่ฉันชอบเธอฉันไม่อยากให้เธอเสียใจไม่ต้องเสียใจขอโทษ คุณพูดจริงแต่เพราะว่าผมมีขาข้างเดียวไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีหัวใจนะเธอควรจะได้รู้ว่าผมรักเธอแค่ไหนผมบังคับให้เธอรู้สึกไม่ได้เธอควรจะปฏิเสธผมถ้าเธอไม่ชอบผมแต่เธอควรจะรู้ว่าผมรักก่อนใช่ไหมอืมไม่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนนะเธอพูดถูกคนอื่นมองว่าเรายังไงก็ไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือการที่เราเคารพตัวเอง เอาละไปเลยโชคดีกับตันเขาหายใจลึกๆแล้วก็เริ่มเดินไปทางบัลเล่สาวเขาล้มลงไปหลายครั้งพยายามกระโดดไปหาเธอแต่ทุกครั้งเขาก็ลุกขึ้นมากระโดดด้วยพลังงานที่มากมายสุดท้ายเขาก็ไปถึงประสาทเขาประมาะและเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงแค่บอกเธอไปว่าเธอสวยแค่ไหน แล้วเราก็อยากจะรู้จักเธอมากขึ้นแค่ไหนเอ่ อ, อสวัสดีครับคุณผมมาเพื่อที่จะบอกว่าผมสวยงามมากฮะอะไรนะอะอะอไม่ครับไม่ครับผมหมายถึงคุณสวยมากไม่ใช่ว่าคนอื่นจะน่าเกลียดนะครับแต่แต่ผมหมายถึงว่าไม่มีใครน่าเกลียดปราสาทนี้ก็เอาสวยมากเลยเอ่อบ่อน้ำยีราฟอแล้วก็แพนดา้า ทุกตัวสวยหมดเลยนะครับไม่ได้เรียกคุณว่าเป็นตัวนะผมว่าผมหยุดพูดจะดีกว่า <c oughs> คุณคือกับตันกระป๋องสินะคุณไม่เจ็บเหรอก็ล้มหลายครั้งนี่นะอ อ, อ, อครับมันท้าทายหน่อยที่จะเดินด้วยขาเดียวนะครับ อ, อ๋อขอโทษทีนะ อ, อไม่ต้องเลยครับกระโดดก็ได้ออกกำลังกายดีค่ะ <c oughs> เทรซี่ละสายตาจากกับตันไม่ได้เธอไม่เคยเห็นทหารที่มุ่งมั่นขนาดนี้มาก่อนเขาพิเศษแน่นอนผมมาเพื่อที่จะบอกว่าคุณเป็นนักบอลเล่ที่สวยที่สุดและผมอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณด้วยขอบคุณนะกับตันกับตันกับเทรซี่ใช้เวลาทั้งคืนคุยกันข้างบ่อ น, น้ําหัวเราะกันมันเป็นคืนที่ดีที่สุดของทั้งสองคน มามาดูของเล่นอันใหม่ฉันสิฉันจะให้นายรู้จั ก, กับกัปตันคนใหม่ของฉันเข้าแกลงและหล่อดด้วยกัปตันกระป๋องโอ้เขาอยู่ไหนอะแม่เห็นกัปตันของผมไหมอ๋อของเล่นมากเลยโอ้นั่นไงกัปตันกระป๋องเดี๋ยวนะมันพังนี่เราต้องบอกลามันหน่อยแล้วละ่ะ เราส่งมันออกไปทางเรือ ด, ดีกว่าไปเลยเจ้าทหารขอให้ปลอดภัยโ อ, โอ้ไม่นะออนี่มันอะไรอ่ะท่านกำลังจะไปไหนน้ำไหลแรงมากตอนนั้นกัปตันทำอะไรไม่ได้เลยไม่นะว้ไม่เราจะต้องกลับไปไปหาเจ้าของของเราไปหาเทรซี่ แต่ก่อนที่กัปตันจะคิดอะไรได้เขาไหลลึกลงไปในท่อน้ำลดลงช้าลงแล้วแต่เขากลับเรือหรือกระโดดออกไปไม่ได้เขารู้ว่าเขาจมน้ำแน่ผ่านไปหลายชั่วโมงทหารก็พยายามจะหันเรือให้ได้แต่หลังจากนั้นไม่นะไม่ไม่ไมน้ำไปออกทะเลเรือพังทันที อาหารนั้นถูกทำมาจากดีบุคเขาพยายามแต่ว่ายน้าไม่ได้เขาจมลงไปที่ก้อนทะเลใหญ่โอ้เทรซี่ฉันขอโทษจริงๆไม่แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันคือกัปตันกระป๋องฉันจะใช้ทั้งชีวิตกลับไปหาเทรซี่กับโมนูการท้าทายยังไม่จบลงเมื่อกัปตันลุกขึ้นพยายามกระโดดกลับไป เขาก็เดินปลาตัวใหญ่กินเข้าไปไม่นะปลางโง่ฉันไม่ใช่อาหารให้ฉันออกไปนะทะหารที่มุ่งมั่นพยายามขยับตัวในตัวปลา <c oughs> เพื่อที่จะออกไปมันทำให้ปลารู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนมันเลยขึ้นมาที่ผิวน้ำและหลังจากนั้นจับได้แล้ววันนี้เราจะเอามันไปทำอาหารให้อร่อยเลยกุก๊กเอาปลาเข้าครัวและเปิดมาด้วยมีดแหลมคม โอ้นี่นี่มันอะไรเนี่ยทหารกระป๋องเหรอเขารีบเอาทหารไปล้างน้ำเขาอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาเจออะไรยังไงแล้วทหารก็กลับมาได้แต่ทหารรู้สึกแปลกๆเขาจําหน้ากุ๊กไม่ได้แต่เขาจําอย่างอื่นได้ทำไมที่นี่มันคุ้นๆ น, นะมันเป็นไปได้ยังไง เราอาจจะหัวกระแทกแรงไปแต่เขาคิดถูกนี่คือบ้านเก่าของเขาบ้านเดิมเขากลับมาหาโมนูและคนรักของเขาเทรซี่นั่นกัปตันของผม <c oughs> ผมทำเขาหายไปเมื่อวานโอ้ขอบคุณที่เอาเขากลับมานะกัปตันดีใจมากที่เห็นโมนูแต่ตาของเขากำลังกวาดหาเทรซี่ที่รักของเขา และนั่นยังไงละ่ะเธอยืนอยู่ที่เดิมรอเขาอยู่เมื่อกัปตันมองไปทางเขาเขาไม่ละสายตาเขาไม่รู้ตัวเมื่อกู๊ดลื่อนลมและตัวเขากระเด็นเข้าไปในเตาผิงไม่นะกัปตันกระป๋องแต่มันสายไปแล้วกัปตันกําลังละลายแต่เขาไม่เจ็บปวดเขาได้แต่มองไปที่ที่รักของเขา และเทรซี่ก็ละสายตาจากเขาไม่ได้ถ้าเธอไปกับเขาได้เธอคงไปแล้วตอนนั้นโมนูเลยนึกออกอเขารีบวิ่งไปที่หน้าต่างและแเปิดหน้าต่างเอานี่ให้ลมพัดไฟเลยแต่ลมนั้นดับไฟไม่ได้ที่เกิดขึ้นคือมันพัดนักบันเลขกระดาษไปที่กองไฟโอ้ไม่นะเทรซี่ ของเล่นทุกชิ้นได้แต่ดูเทรซี่กับกัปตันเผาไหม้ในไฟด้วยกันพวกเขายิ้มอย่างมีความสุขสุดท้ายพวกเขาก็ได้มาอยู่ด้วยกันตอนที่แม่เข้ามาตอนนั้นไฟก็เผาเทรซี่กระดาษกับทหารกระป๋องไปหมดแล้วจนไม่เหลือซากแม่เทรซี่กับกัปตันหายไปแล้วโอ้แม่เสียใจด้วยนะลูก น, นั่นอะไรนะหัวใจเหรอแม่ใช่เลยมันคือหัวใจมันคือหัวใจสีดำที่ละลายที่เกิดขึ้นจากดีบุกละลายมันมีหัวใจสีแดงเล็กๆอยู่ตรงกลางเหมือนกับหัวใจที่อยู่บนชุดของเทรซี่และท่านคือสิ่งที่เหลือโมอนูรู้จักกับของเล่นของเขาดีเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขายิ้ม และเอาหัวใจละลายนั้นไปวางบนชั้นวางชั้นบนไม่มีใครจะรบกวนเทรซี่กับกัปตันได้อีกพวกเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปโมนูจะไม่มีทางเสียพวกเขาไปอีกเทรซี่กับกัปตันตอนนั้นก็แยกกันไม่ได้แล้ว